พยตุปัฐานญาณเมื่อโยกีนั้นเสพอยู่เนืองๆทำให้เกิดขึ้นทำให้มากๆซึ่งพังคานุปัสนามีนิโรธคือความสิ้นไปความเสื่อมไปและความแตกดับของสังขารทั้งปวงเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้สังขารทั้งหลายซึ่งมีความแตกดับบรรดามีอยู่ในภพสามกำเนิดสี่ คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดสัตวาวาสเก้าทุกผลทุกแห่งก็ปรากฏเป็นที่น่ากลัวมากเช่นเดียวกับสีหะคือสิงโตพยักคะเสือเหลืองหมีเสือดาวยักษ์รากศกโคดุสุนัขดุช้างดุตกมันอสรพิษร้ายสายฟ้าป่าช้าสนามรบ และหลุมทานเพลิงที่ลุกโชนช่วงเป็นต้ น, ราาน ป, รปรากฏเป็นที่น่ากลัวมากแก่บุรุคขาดผู้ปรารถนาดำรงชีวิตอยู่โดยสุขสบายเมื่อโยคีนั้นเห็นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันก็กําลังดับอยู่ถึงแม้สังขารทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตก็จะดับไปดังนี้ หน้าที่ตรงนี้ยานชื่อว่าพยาตุปปทานในยานบังเกิดขึ้นอุปมาพยาตุปปทานญยานด้วยสตรีมีลูกสามและสตรีมีลูกสิบเอ็ดในการที่พยาตุปปทานญยานบังเกิดขึ้นนั้นมีอุปมาดังต่อไปนี้สมมุติว่า สตรีผู้หนึ่งมีบุตรชายสามคนเป็นผู้มีความผิดในพระราชาพระราชาตรัสสั่งให้ลงโทษตัดศีรษะของบุตรชายทั้งสามนั้นสตรีผู้นั้นได้ไปอย่างตะแลงแกงพร้อมทั้งบุตรชายทั้งสามด้วยทันใดนั้นเขาก็ตัดศีรษะของบุตรชายคนโตของเธอและเตรียมการเพื่อตัดศีรษะของบุตรชายคนกลาง สตรีนั้นเห็นศีษะของบุตรชายคนโตถูกตัดไปแล้วและเห็นศีษะบุตรชายคนกลางกำลังถูกตัดอยู่ก็ทอดอะไรในบุตรชายคนเล็กเสได้ว่าแม้พอคนเล็กนี้ก็จักเป็นเช่นเดียวกับบุตรชายทั้งสองนั้นนั่นแหละในอุปมาณนั้นการที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีต ก, ก็เปรียบเหมือนการที่สตรีผู้นั้น เห็นศีรษะของบุตรชายคนโตถูกตัดไปแล้วการที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันก็เปรียบเหมือนการที่สตรีนั้นเห็นศีรษะของบุตรชายคนกลางกำลังถูกเขาตัดอยู่การที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นแม้ในอนาคตก็เปรียบเหมือนการที่สตรีผู้นั้น ทอดอะไรในบุตรชายคนเล็กว่าถึงแม้พ่อคนเล็กนี้ก็จกเป็นเช่นเดียวกับบุตรชายทั้งสองคนนั้นนั่นแหละเมื่อโยกขีนั้นเห็นอยู่อย่างนี้ณที่ตรงนี้เกิดพยาตุปปทานานยานมีอีกอุปมาหนึ่งซึ่งเล่าว่าสตรีผู้มีปกติเป็นคนมีลูกบูดเนา่า คลอดลูกมาแล้วสิบคนในสิบคนนั้นตายไปแล้วเก้าคนคนหนึ่งกําลังจะตายอยู่ในอ้อมแขนอีกคนหนึ่งคือคนที่สิบเอ็ดยังอยู่ในท้องสตรีนั้นเห็นลูกเก้าคนตายไปแล้วและคนที่สิบก็กําลังจะตายจึงทอดอะไรในลูกคนที่อยู่ในท้องได้ว่าถึงแม้เจ้าคนที่อยู่ในท้องนี้ ก็จักเป็นเหมือนลูกทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละ fall, ในอุปมานั้นการที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีต <Surely> ก็เปรียบเหมือนการที่สตรีนั้นรำลึกถึงความตายของลูกทั้งเก้าคนการที่โยคีเห็นความดับของสังขาร ท, าทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันเปรียบเหมือนการที่สตรีนั้นเห็นความที่ลูกตนอยู่ในอ้อมแขนกําลังจะตายอยู่ การที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่เป็นอนาคตเปรียบเหมือนการทอดอะไรในลูกคนที่อยู่ในท้องของสตรีผู้นั้นเมื่อโยคีนั้นเห็นอยู่อย่างนี้ในขณะนี้เกิดพยาตุปทานในยาณถามว่าแต่พยาตุปทานในากลัวหรือไม่กลัวตอบว่า ไม่กลัวเพราะว่าพยตุป <um ัทานญายนั้นเป็นแต่เพียงไตรตรองอยู่ว่าสังขารทั้งหลายที Europe ่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันก็กำลังดับไปสังขารทั้งหลายที่เป็นอนาคตก็จกดับไปดังนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงเปรียบเสมือนบุรุษผู้มีดวงตาและดูหลุมฐานเพลิงสามหลุม ที่ใกล้ประตูเมืองตัวเขาเองไม่กลัวเขาเพียงแต่เกิดความไตรตรองคือรู้สึกเสียวๆอยู่ว่าคนทั้งหลายใดๆจะตกลงไปในหลุมทั้งสามนี้ทุกคนจะได้รับทุกข์ไม่น้อยเป็นแน่ดังนี้เท่านั้นฉันใดก็หรือว่าเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีดวงตาและดูหลาสามเล่มคือหลาวไม้ตะเคียนหนึ่งหลาเหล็กหนึ่ง เหล่าทองหนึ่งเขาปักไว้เรียงกันอยู่ตัวเองมิได้กลัวเป็นแต่เพียงบุรุษนั้นไตรตรองคือรู้สึกเสียวๆอยู่ว่าคนทั้งหลายใดๆจะตกลงไปบนเหล่าทั้งหลายนี้ทุกคนจกเสวยทุกหาน้อยไม่ดังนี้อย่างเดียวเท่านั้นฉันใดพญาตุปทานยยานก็ฉันนั้นเช่นกันยานเองมิได้กลัว เพราะว่าญาณนั้นเป็นแต่เพียงไตรตรองอยู่ว่าสังขารทั้งหลายในภพทั้งสามซึ่งเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงสามหลุมและเปรียบด้วยเหล่าสามเล่มที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วที่เป็นปัจจุบันก็กำลังดับไปที่เป็นอนาคตก็จะดับเป็นแน่ดังนี้แต่อย่างเดียวเท่านั้นแต่เพราะสังขารทั้งหลายที่ดาเนินไป อยู่ในภพสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณอาทิติ7เจ็ดและสัตตาวาดเก้าทุกขนทุกแห่งเป็นสังขารถึงแล้วซึ่งความพินาศไปเป็นของที่มีภัยอยู่เฉพาะหน้าปรากฏแก่ยานนั้นโดยความน่ากลัวแต่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงเรียกยานนั้นว่าพยะตุปทานยาน อนหนึ่งในความปรากฏด้วยความน่ากลัวของอยานนั้นดังกล่าวมานี้มีพระบาหลีแปลความได้ดังต่อไปนี้ถามว่าเมื่อโยคีมนานัสิการอยู่โดยความไม่เที่ยงอะไรปรากฏด้วยความน่ากลัวเมื่อมนานัสิการอยู่โดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาอะไรปรากฏด้วยความน่ากลัวตอบว่า เมื่อโยคีมานสิการอยู่โดยความไม่เที่ยงนิมิตปรากฏโดยความน่ากลัวเมื่อมานสิการอยู่โดยความเป็นทุกข์ความเป็นไปของสังขารปรากฏโดยความน่ากลัวเมื่อมานสิการอยู่โดยความเป็นอนัตตาทั้งนิมิตและความเป็นไปปรากฏโดยความน่ากลัวดังนี้ คำว่านิมิตในพระบาลีนั้นหมายถึงนิมิตคือสังขารคำว่านิมิตนี้เป็นชื่อเรียกสังขารทั้งหลายโดยเฉพาะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะว่าเมื่อโยคีมณสิการอยู่โดยความไม่เที่ยงก็เห็นแต่มรณะคือความดับอย่างเดียวของสังขารทั้งหลายเพราะการเห็นแต่การดับนั้น นิมิตจึงปรากฏแก่โยคีนั้นโดยความน่ากลัวคำว่าความเป็นไปความหมายว่าความเป็นไปในรูปประพบและอรูปประพบเพราะว่าเมื่อโยคีมนสิการอยู่ด้วยความเป็นทุกข์ก็เห็นแต่ความบีบคั้นเฉพาะหน้าหนึ่งเนืองอย่างเดียวของความเป็นไปแม้ที่ยกย่องกันว่าเป็นความสุข เพราะเหตุนั้นความเป็นไปของสังขารทั้งหลายจึงปรากฏแก่โยคีนั้นโดยความน่ากลัวแต่เมื่อโยคีมนัสิการอยู่โดยความเป็นอนัตตาก็เห็นแม้ทั้งสองอย่างนั้นคือทั้งนิมิตและความเป็นไปของสังขารเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ไม่มีเจ้าของไม่มีผู้นำ เป็นประดุดบ้านร้างและเป็นประดุดพยับแดดและวิมานในอากาศเป็นต้นเพราะเหตุนั้นนิมิตและความเป็นไปทั้งสองจึงปรากฏแกโยคีนั้นโดยความน่ากลัวด้วยประการชนี้จบพยาตุปทานนยาน อาทีนวานุปาานัสนาญาณเมื่อโยคีนั้นเสพอยู่เนืองๆทำให้เกิดอยู่ทำให้มากๆอยู่ซึ่งพยาตุปปทานญาณ น, นั้นก็ปรากฏว่าในภพสามกำเนิดสี่คติห้าทิติเจ็ดสัตตาวาดเก้าทั่วทุกคนทุกแห่งไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่หลบลีไม่มีภูมิที่จะไป ไม่มีที่พึ่งอาศัยไม่มีความปรารถนาหรือความยึดเหนี่ยวในสังขารทั้งหลายที่ดำเนินไปในภพสามกำเนิดสี่ติห้าทิฏฐิเจ็ดนิวาดเก้าทั่วทุกหนทุกแห่งแม้แต่เพียงสังขารเดียวภพสามก็ปรากฏประดุดหลุมทานเพลิงซึ่งเต็มด้วยทานเพลิงที่ปราศจากเปลวมหาพูดสี่ก็ปรากฏ ประดุดอารพิษมีพิษร้ายขันหก็ปรากฏประดุดเพชฌฆาตที่ยกดาบเงื้อง่ายอยู่แล้วอายตนะภายในหก็ปรากฏประดุดหมู่บ้านร้างอายตนะภายนอกหก็ปรากฏประดุดพวกโจรปล้นฆ่าชาวบ้านวิญญาณทิฏฐิเจ็ดและสัตวาวาดเก้า ก็ปรากฏประดุดถูกเผาด้วยไฟสิบเอ็ดกองลุกโคลงและโชดช่วงอยู่สังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ปรากฏเป็นประดุดหัวฝีเป็นโรคถูกลุกสอนเสียบเป็นสิ่งชั่วร้ายและเป็นอาพาธเป็นกองแห่งโทษร้ายใหญ่หลวงหาความอบอุ่นไม่ได้ไม่มีรถถามว่าปรากฏอย่างไร ตอบว่าปรากฏดุจ ด, ดังว่าป่าชัดแม้ตั้งสงบอยู่โดยอาการเป็นที่น่ารื่นรมแต่มีมรึกร้ายปรากฏแก่บุรุษคลาดผู้ปรารถนาดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขปรากฏประดุจถ่ำ ม, มีเสือโครง่งประดุจน้ำมีรากศกสิงอยู่ประดุจข้าศึกเงือดเงื้อพระขันอยู่แล้วประดุจโภชนะมียาพิษ ประดุดมักคามีโจรประดุดเรือนที่ไฟไหม้ประดุะดสนามรบที่มีทหารเตรียมพร้อมอยู่แล้วความจริงบูรุษผู้นั้นครันมาถึงสถานที่เช่นป่าชัดมีสัตว์ร้ายเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็กลัวหวาดวันขนลุกขนพองเห็นแต่โทษร้ายอย่างเดียวทุกทิศทางฉันใดโยคาวจอนท่านนี้ก็ฉันนั้นเช่นกัน เมื่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงปรากฏโดยความน่ากลัวด้วยอำนาจพังคานุปัสสนาก็เห็นอยู่โดยทั่วไปแต่โทษร้ายไม่มีรสไม่มีความอบอุ่นใจแต่อย่างเดียวเมื่อโยคาวะจอนท่านนั้นเห็นอยู่อย่างนี้ยานที่ชื่อว่าอาทินวิญน์ก็เป็นอันเกิดขึ้นแล้วซึ่งเป็นยานที่ท่านระบุถึงกล่าวคำพระบาลีนี้ไว้แปลความว่า <şu 1> ถามว네่าปัญญาในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวเป็นอาธินวญาณอย่างไรตอบว่าป <st> uh ัญญาในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวว่าความเกิดขึ้นเป็นที่น่ากลัวดังนี้เป็นอาธินวญาณปัญญาในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวว่าความเป็นไปเป็นที่น่ากลัว ว่านิมิตเป็นที่น่ากลัว tonnes. ว่าความขวนขวายเป็นที่น่ากลัวว่าปฏิสนธิเป็นที่น่ากลัวว่าคติคือภูมิที่ไปเป็นที่น่ากลัวว่านิพัติความบังเกิดเป็นที่น่ากลัวว่าอุปัติความเข้าถึงเป็นที่น่ากลัวว่าชาติคือความเกิดเป็นที่น่ากลัวว่าชราเป็นที่น่ากลัว ว่าพยาธิความป่วยไข้เป็นที่น่ากลัวว่ามรณะเป็นที่น่ากลัวว่าความโศกเป็นที่น่ากลัวว่าความคร่ำครวญเป็นที่น่ากลัวว่าความขับแค้นใจเป็นที่น่ากลัวดังนี้เป็นอาทินวยานแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่งปัญญาความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นแดนเกษมคือปลอดภัย ดังนี้เป็นสันติปัฏฐานความรู้ในทางบรรลุสันติคือพระนิพพานความรู้ว่าความไม่เป็นไปเป็นแดนเกษมเปยยานคือจนถึงความรู้ว่าความไม่คับแค้นใจเป็นแดนเกษมดังนี้เป็นสันติปัฏฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่ง ปัญญาความรู้ว่าความเกิดขึ้นเป็นที่น่ากลัวความไม่เกิดขึ้นเป็นแดนเกษมดังนี้เป็นสันติปัฏยานความรู้ในทางบารรลุสันติคือพระนิพพานความว่าความเป็นไปไปรยยานคือจนถึงความคับแค้นใจเป็นที่น่ากลัวความไม่คับแค้นใจเป็นแดนเกษมดังนี้เป็นสันติปัฏยานแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่ง ปัญญาในความปรากฏด้วยความเป็นที e ่น WOW. ่ากลัวว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกข์เป็นอาทีนวายานปัญญาในความปรากฏด้วยความเป็นที่น่ากลัวว่าความเป็นไปเปยานจนถึงว่าความคับแค้นใจเป็นทุกข์ดังนี้เป็นอาทีนวายาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่งความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นสุข ดังนี้เป็นสันติปัฏยานความรู้ว่าความไม่เป็นไปเปยยานคือจนถึงความไม่คับแค้นใจเป็นสุขดังนี้เป็นสันติปัฏายานแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่งความรู้ว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ความไม่เกิดขึ้นเป็นสุขดังนี้เป็นสันติปัฏยานความรู้ว่า ความเป็นไปเป็นทุกข์ความไม่เป็นไปเป็นสุขเปยกานคือจนถึงความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความไม่คับแค้นใจเป็นสุขดังนี้เป็นสันติปัฏฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่งความรู้ในความปรากฏด้วยความเป็นที่น่ากลัวว่าความเกิดขึ้นเป็นการเจือด้วยอาม i ตรดังนี้เป็นอาทีนวายาน ความรู้ในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวว่าความเป็นไปเปย์ยานคือจนถึงความคับแค้นใจเป็นการเจือด้วยอามิต h ดังนี้เป็นอาทีนาวายานแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่งความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นการไม่มีอามิต h ดังนี้เป็นสันติปัฏายานความรู้ว่าความไม่เป็นไปเปย์ยาน จนถึงความไม่คับแค้นใจเป็นการไม่มีอามิ t ดังนี้เป็นสันติปัฏายานแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่งความรู้ว่าความเกิดขึ้นเป็นการเจือด้วยอามิ t ความไม่เกิดขึ้นเป็นการไม่มีอามิ t ดังนี้เป็นสันติปัฏายานความรู้ว่าความเป็นไปเป็นการเจือด้วยอามิ t ความไม่เป็นไป เป็นการไม่มีอาิ i t h ไป ย, ยานคือจนถึงความคับแค้นใจเป็นการเจอด้วยอามิตรความไม่คับแค้นใจเป็นการไม่มีอามิตรดังนี้เป็นสันติปัายานแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่งความรู้ในความปรากฏด้วยความเป็นที่น่ากลัวว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารดังนี้เป็นอาทินวยาน ความรู้ในความปรากฏด้วยความเป็นที่น่ากลัวว่าความเป็นไปเป็นสังขารเปยานคือจนถึงความคับแค้นใจเป็นสังขารดังนี้เป็นอาทีนาวยานแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่งความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานดังนี้เป็นสันติปัฏยานความรู้ว่าความไม่เป็นไปเป็นนิพพาน เ ป, เปยยานคือจนถึงความไม่คับแค้นใจเป็นนิพพานดังนี้เป็นสันติปัฏายานแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่งความรู้ว่าความเกิดขึ้นเป็นสังขารความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพานดังนี้เป็นสันติปัฏายานความรู้ว่าความเป็นไปเป็นสังขารความไม่เป็นไปเป็นนิพพานเปยยาน คือจนถึงความคับแค้นใจเป็นสังขารความไม่คับแค้นใจเป็นนิพพานดังนี้เป็นสันติปัฏฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกหนึ่งโยคาวจรเห็นความเกิดขึ้นและความเป็นไปและนิมิตความขวนขวายและปฏิสนธิว่าเป็นทุกข์นี้เป็นอาทินวญาณและเห็นความไม่เกิดขึ้น ความไม่เป็นไปความไม่มีนิมิตความไม่มีขวนขวายไม่มีปฏิสนธิว่าเป็นสุขนี้เป็นสันติปทาญาณอาธินาวญาณ น, นี้เกิดในห้าฐานะสันติปทาญานก็เกิดในห้าฐานะโยคาวะจอนกำหนดรู้ญาณสิบด้วยความเป็นผู้ฉลาดในญาณสองคืออาธินาวญาณ และสันติปัฏฐานจึงไม่หวั่นไหวในทิฏฐิต่างๆด้วยประการชนีความเห็นนั้นชื่อว่าญาณโดยความหมายว่ารู้แล้วชื่อว่าปัญญาโดยความหมายว่ารู้ทั่วเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัว เป็นอาทินวายานดังนี้คำว่าความเกิดขึ้นในคำพระบาลีที่แปลไว้ข้างต้นนั้นหมายถึงการเกิดขึ้นในพบเพราะกรรมในพบก่อนเป็นปัจจัยคำว่าความเป็นไปหมายถึงความเป็นไปของสังขารซึ่งเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้ว คำว่านิมิตหมายถึงนิมิตคือสังขารแม้ทุกประการคำว่าความขวนขวายหมายถึงกรรมอันเป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภพต่อไปคำว่าปฏิสนธิหมายถึงการเกิดขึ้นในภพต่อไปคำว่าขติคือภูมิที่ไปหมายถึงภูมิที่ไปซึ่งมีปฏิสนธิ คำว่านิพพติความบังเกิดหมายถึงความบังเกิดของขันธ์ทั้งหลายคำว่าอุปติความเข้าถึงหมายถึงความเป็นไปแห่งวิบากที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าความเป็นไปแห่งวิบากของผู้ถึงพร้อมแล้วหรือว่าของผู้เข้าถึงแล้วคำว่าชาติคือความเกิด หมายถึงชาติซึ่งเป็นปัจจัยแห่งชราเป็นต้นเกิดขึ้นเพราะพบเป็นปัจจัยอาการทั้งหลายมีชราและมรณะเป็นต้นเป็นอาการที่ปรากฏแล้วโดยเฉพาะอันหนึ่งในพระบาลีนั้นอาการที่ความเกิดขึ้นเป็นต้นห้าอย่างเท่านั้นท่านกล่าวไว้ด้วยความเป็นวัตถุคือที่ตั้งของอาทินวญาณ นอกนั้นท่านกล่าวไว้โดยเป็นวัยพ์ของอาการห้าอย่างเหล่านั้นเพราะว่าคํานิพพติและชาติหรือชาติสองคำนี้เป็นวัยพ์ของอุปาทะคือความเกิดขึ้นและของปฏิสนธิคําว่าคติและอุปติสองคานี้เป็นวัยพ์ของประวัตะคือความเป็นไป คำว่าชราเป็นต้นเป็นไวยพธของนิมิตดัดงนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไวข้างต้นด้วยคถาซึ่งแปลความว่าโยคา ว, วาจรเห็นความเกิดขึ้นและความเป็นไปและนิมิตความขวนขวายและปฏิสนธิว่าเป็นทุกนี้เป็นอถินาวญาณดังนี้หนึ่งแล้วว่า อาทีนวายานี้เกิดในห้าฐานะดังนี้หนึ่งส่วนคำเป็นต้นว่าปัญญาคือความรู้ว่าความไม่เกิดขึ้นเป็นแดนกเกษมเป็นสันติปัฏายานท่านกล่าวไว้เพื่อชี้ให้เห็นญาณที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของอาทีนวายานอีกประการหนึ่งท่านกล่าวคำนี้ไว้ เพื่อให้เกิดความอบ อ, อุ่นใจแกโยคาวจรผู้เห็นโทษร้ายด้วยพยาตุปทานในยานและมีหทัยวันไว้ว่าแม้สิ่งที่ไม่น่ากลัวที่เป็นแดนเกษมที่ไม่มีโทษร้ายก็มีอยู่ดังนี้บ้างก็หรือว่าเพราะอาการทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นต้นเป็นอาการตั้งอยู่ชัดเจนโดยความน่ากลัวแกโยคาวจรผู้นั้นเล่า จิตของโยคาวจร น, นั้นก็น้อมไปในความเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอาการเหล่านั้นอยู่แล้วและเพราะเหตุนั้นพึงทราบว่าท่านกล่าวคำนี้ไว้เพื่อชี้ให้เห็นอานิสงของอาธินาวญาณอันสำเร็จได้ด้วยความปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัวอันหนึ่งในอาธินาวญาณ น, นี้ เพราะสิ่งใดเป็นของน่ากลัวสิ่งนั้นเป็นทุกข์โดยแน่นอนและสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นของเจือด้วยอาิ i t h โดยแท้เพราะเป็นของไม่พ้นไปจากอามิ t h สามคืออามิต h คือวัตตะหนึ่งอามิต h ในโลกหนึ่งและอามิต h คือกิเลสหนึ่งและสิ่งใดเจือด้วยอามิ t h สิ่งนั้นก็เป็นเพียงสังขารเท่านั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าความรู้ในความปรากฏด้วยความเป็นที่น่ากลัวว่าความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ดังนี้เป็นอาทินวญาณดังนี้ไว้แม้เป็นอย่างนั้นก็ควรทราบความแตกต่างกันในอาการทั้งหลายนี้ด้วยความเป็นไปโดยอาการต่างๆกันอย่างนี้คือโดยอาการเป็นที่น่ากลัวหนึ่ง โดยอาการเป็นทุกข์หนึ่งโดยอาการมีอามิ t h หนึ่งคำว่ากำหนดรู้ยานสิบหมายความว่าเมื่อโยคาวะจรนกำหนดรู้อาทีินวะยานอยู่ชื่อว่ากำหนดรู้คือแทงตลอดคือทำให้แจ้งซึ่งยานสิบได้แก่ยานห้า มีอาการเช่นความเกิดขึ้นเป็นต้นเป็นวัตถุคือที่ตั้งและยานห้ามีอาการเช่นความไม่เกิดขึ้นเป็นต้นเป็นวัตถุคำว่าด้วยความเป็นผู้ฉลาดในยานสองความว่าด้วยความเป็นผู้ฉลาดในยานสองเหล่านี้คืออธินวายานหนึ่งและสันติปทาญาณหนึ่ง คำว่าไม่หวั่นไหวในทิฏฐิต่างๆความว่าไม่สายไปสายมาในทิฏฐิทั้งหลายซึ่งเป็นไปด้วยความเห็นผิดว่าพระนิพพานเป็นบรมัติธรรมเป็นต้นคำที่ยังเหลืออยู่ในพระบาลีนี้เป็นคำมีความหมายง่ายๆทั้งนั้นแหลจบอาทินวานุปาานัสนาญาณ